มาฟังนิทานพื้นบ้านของจีนสักเรื่องครับการละครั้งหนึ่งมีพระภิกษุรูปหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางทิศตะวันตกประมาณ25สบหา้าไมล์พระรูปนี้มีใจคอชั่วร้ายมากแต่มักจะแสดงตัวให้คนทั้งหลายเห็นว่าตัวเป็นผู้เคร่งศาสนาท่องบนมนตราอยู่เป็นเนืองนิด สั่งยังกระทําตนเป็นครูสอนหนังสือให้แกเด็กที่เดินทางมาเล่าเรียนคล้ายกับเป็นการเอาบุญแต่ความจริงแล้วพระองค์นี้ต้องการเงินและอาหารที่บรรดาเด็กๆเหล่านั้นนำมาให้ต่างหากมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งพระรูปนี้เกลียดเป็นอย่างยิ่งเด็กคนนี้ชื่อหยางมีนิสัยชอบเรียนหนังสือแล้วก็เชื่อฟังคาสั่งต่างๆที่พระอาจารย์บอกเขาเรียงเคร่งครัด แต่ว่าเด็กคนนี้เป็นคนอืดอาดและโง่เงอ่าทั้งพ่อแม่ก็เป็นคนยากจนเขาก็เลยไม่มีอะไรที่จะนำมาถวายพระอาจารย์ได้บ่อยนักวันหนึ่งอย่างกับพระอาจารย์ใจโหดนี้เดินไปด้วยกันในบริเวณย่านภูเขาคนทั้งสองพากันไต่เขาลูกหนึ่งสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงยอดซึ่งไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลยทันใดนั้นพระใจร้ายนี้ก็เกิดความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่ง ท่นนึกอยู่ในใจว่าไอเด็กคนนี้มันโง่นักเราบอกอะไรมันก็ทําตามคําสั่งเราทุกอย่างถ้าเราบอกให้มันคอยอยู่ในบริเวณภูเขาเหล่านี้จนกว่าเราจะกลับมามันก็จะต้องคอยเราแล้วมันก็จะต้องอดข้าวตายไปเองเป็นแน่คิดแล้วท่านก็บอกกับเด็กคนนั้นว่าเออเดี๋ยวข้าจะไปแวะเยี่ยมอาจารย์สักคนหนึ่งซึ่งพักอยู่ทางด้านภูเขาลูกนั้นนะ เอ็งจงคอยข้าอยู่ที่นี่บางทีข้าจะต้องไปช้าสักหน่อยแต่เอ็งจงคอยข้าอยู่ที่นี่ก็แล้วกันแล้วข้าจะกลับมารับได้ครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าหากอาจารย์ไปนานๆนนแล้วถ้าหากผมเกิดหิวขึ้นมาผมจะกินอะไรล่ะครับอ้าวเอ็งก็ไปเก็บก้อนหินมากินสิที่นี่มีก้อนหินกรอนกรวัดตั้งเยอะแยะไปเออได้ได้ครับอาจารย์อ่าแล้ว ผมจะหุงต้มก้อนหินเหล่านั้นได้ยังไงล่ะครับหาอะไรก็ได้เอามาจุดไฟขา้าวถ้าไม่มีอะไรเลยก็ใช้เท้าทั้งสองของเองก็ได้นี่นะเจ้าเด็กหยางก็คิดว่าเอ๊ะแปลกทแท้แต่เด็กคนนี้เชื่อคําพูดของพระอาจารย์ทุกอย่างไม่ว่าจะบอกอะไรแก่เขาเพราะว่าเขาคิดว่าพระองค์ได้มีความฉลาดมากโดยเหตุนี้เขาก็กล่าวตอบอาจารย์อย่างนอบน้อมได้ขอรับอาจารย์ หลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จากเข้าไปโดยปล่อยเขาไว้ที่นั่นตามลําพังในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กชายหยางก็รู้สึกหิวเป็นกําลังเขาเที่ยวเลือกเก็บก้อนหินเล็กๆที่มีผิวเรียบเปียบและขาวสะอาดเท่าที่เขาจะหาได้เอามาใส่ในชามกะละมังใบเล็กซึ่งเขาเอาติดตัวไปไหนมาไหนด้วยเสมอเขาเอาใบไม้และกิ่งไม้มากองสมเข้าใต้ชามกะละมังเพื่อที่จะติดไฟแต่เขาไม่มีอะไรจะจุดไฟ เมื่อนึกได้ถึงคำที่อาจารย์สั่งเขาก็นั่งลงแล้วเหยียดเท้าทั้งสองข้างเข้าไปใต้ใบและกิ่งไม้ที่กองไว้ทันทีครู่ต่อมาเขาก็รู้สึกว่าเท้าทั้งคู่ของเขาทักจะอุ่นๆไม่สู้ร้อนนักเพียงแต่อุ่นๆเท่านั้นพอสักครู่เดียวเขาก็ลุกขึ้นก้มมองลงไปในชามกะละมังใบเล็กว่าก้อนหินเหล่านั้นสุกไหมเขา ก็ได้เห็นว่าบรรดาก้อนหินเล็กๆเหล่านั้นกลายเป็นข้าวสุกส่งไอร้อนระอุอยู่เต็มชามกะละมังทีเดียวอู้อาจารย์คนเราองค์เนี้ยเป็นคุณมหัสัจรจั์ได้จริงๆใครเขาจะเชื่อว่าก้อนหินแท้ๆจะกลับกลายเป็นข้าวสุกได้หลังจากนั้นต่อมาประมาณหนึ่งอาทิตย์พระอาจารย์ก็กลับมาเมื่อเห็นเจ้าหยางไม่เพียงแต่มีชีวิตรอดอยู่หากดูท่าทางอิ่มหมีพีมันและสดชื่นขึ้น พระใจชั่วก็ให้รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักว่ายหยางพอเห็นพระอาจารย์ก็ร้องตะโกนด้วยความดีใจว่าขอบคุณมากนะครับอาจารย์ที่บอกเรื่องก้อนหินกับผมผมจะไม่มีวันอดตายแล้วหรอกขรับอาจารย์แต่ว่าพระใจร้ายองค์นั้นก็ให้รู้สึกโกรธแชนเป็นกำลังในระหว่างที่พากันเดินไป่ลงมาตามทางลาดชันข้างๆภูเขานั่นเอง พระใจร้ายก็ผลักเด็กน้อยร่วงหล่นลงมาจากหน้าผาสูงชันเ อ, อทีเนี้มึงเห็นจะสิ้นสุดกันทีละพระใจร้ายก็คิดอยู่ในใจเสร็จแล้วก็ชะโงกหน้าออกมาดูมาดูทางขอบผาว่าเจ้าเด็กคนนั้นลงหล่นลงไปตายอยู่ตรงไหนพระใจร้ายกลับรู้สึกประหลาดใจเป็นล้นพน้นเมื่อเห็นเด็กชายหยางยืนอยู่บนดอกบัววิเศษ เป็นดอกบัวชนิดเดียวกับที่รองรับพระบาทพระพุทธเจ้าและพระเป็นเจ้าทั้งหลายในขณะที่จะเสด็จจากสวรรค์ลงสู่พื้นพิภพหรือว่าจะเสด็จจากพื้นพิภพขึ้นสู่สวรรค์พระใจร้ายเห็นเจ้าหยางยืนอยู่บนดอกบัวลอยไปทางใต้อันเป็นดินแดนสู่สวรรค์ชั้นพ้าอย่างเชื่องช้าเด็กน้อยโบกมือให้พระอาจารย์อย่างเบิกบานและถ้าพระอาจารย์ใจร้ายอยู่ใกล้ๆเขาก็คงจะได้ยินเด็กชายหยางกล่าว บอกว่าขอบคุณมากครับพระอาจารย์ขอบคุณมากขอรับพระอาจารย์ใจชั่วก็คิดในใจครับถ้าขึาาาา้นสวรรค์ได้ง่ายแบบนี้ครับไปมั่งก็ได้คิดแล้วพระใจชั่วกอกระโดดจากหน้าผาแต่เมื่อโดดลงมาแล้วก็หามีดอกบัววิเศษดอกไหนลอยออกมารองรับพระใจชั่วนั้นไหมพระใจร้ายองค์นั้นก็ลอยเลี้วเลี้วหล่นลงไปก้นหุบผาถึงการกิริยาดับชีพอยู่ณนะที่นั้นเอง อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องนี้เป็นที่ล่วงรู้ไปสู่บรรดาชาวบ้านทั้งหลายมีราษฎรสองสามนายอุตสาหไต่ขึ้นไปจนถึงบริเวณยอดเขาที่เด็กชายหยางถูกพระใจร้ายปล่อยทิ้งไว้ให้ตายและณบริเวณนั้นพวกเขาได้พบกับมเมล็ดข้าววิเศษซึ่งเด็กชายหยางได้หุงไว้ตกเลี่ยราดอยู่คนเหล่านั้นถึงได้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงและไอทิวกรอนหินกลายเป็นข้าวสุกได้ก็มีความจริงด้วย ด้วยเหตุนี้คนเหล่านั้นก็เลยพากันสร้างโบสถ์ไว้แห่งหนึ่งในบริเวณนั้นตั้งชื่อโบสถ์นั้นว่าโบสถ์ข้าวศักดิ์สิทธิ์สำหรับมเมล็ดข้าวศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกใส่หีบพิเศษบรรจุไว้ในห้องถุงใหญ่ของโบสถ์หลังนั้นประชาชนทั้งหลายต่างก็แตกตื่นมาดูกันไม่ขาดสายครั้นแล้วต่อมาในคืนวันหนึ่งก็มีขโมยสามคนงัดประตูโบสถ์เข้าไปขโมยของต่างๆเท่าที่มันจะค้นพบขโมยเหล่านั้นลักเอาพระ และเชิงเทียนตลอดจนจํานวนเงินที่พระพากันเก็บสะสมไว้เพื่อจะสร้างห้องอีกห้องหนึ่งในโบสถ์หลังนั้นพวกขโมยไม่ละเว้นแม้กระทั่งทูบเทียนและดอกบัวทองซึ่งตั้งไว้บนแท่นบูชาเป็นอนุศน์อันควรแก่การสักการะเขาสร้างไว้แทนดอกบัวทองที่รองรับและพาเด็กชายหยางขึ้นสวรรค์ไปในครั้งนั้นเมื่อพวกขโมยเหลือเห็นเมล็ดข้าวสีขาวงวดงามวางอยู่ในหีบซึ่งตั้งอยู่ในห้องถุงใหญ่ ก็มีความยินดีต่างคนต่างสุดนั่งลงบริโภคข้าวเหล่านั้นทันทีฝ่ายบรรดาพระภิกษุต่างก็พากันอ้อนวอนพวกขโมยว่าข้าวเหล่านั้นเป็นข้าวศักดิ์สิทธิ์อยากกินเข้าไปพวกขโมยก็กราบหัวเราะแล้วก็พากันร้องว่าเ อ, อ้ยยิ่งเป็นข้าวศักดิ์สิทธิ์ียิ่งดียิ่งอร่อยกว่าข้าวธรรมดาจริงไหมหลวงตาเ อ, อ้ยหลังจากพวกขโมยกินข้าวดังกล่าวเข้าไปจนหมดแล้วก็พากันเดินทางลงมาจากภูเขาลูกนั้น ตลอดทางมันก็พากันร้องรําทําเพลงด้วยความดีใจในโชคลาบอันมหาศาลของมันแต่แล้วพวกมันต่างก็พากันหยุดชะงักทีละคนทีละคนตายแล้วเว้ยเฮ้ยข้าวศักดิ์สิทธิ์เล่นงานเราเขาแล้วหลังจากนั้นขโมยทั้งสามก็ล้มลงนอนกลิ้งทีละคนทีละคนจนหมดปรากฏว่าข้าวที่ขโมยทั้งสามกินเข้าไปกลับกลายเป็นก้อนหินทําให้ท้องขโมยนี้แตกไปตามตามกัน ในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นบรรดาพระจากโบสถ์ข้าวศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พบพวกขโมยนอนกลิ่งอยู่ตรงบริเวณแห่งหนึ่งใกล้ๆกับภูเขาลูกนั้นขณะที่พากันเดินทางลงไปเพื่อจะหาซื้ออาหารบางอย่างจากหมู่บ้านพระทุกองทราบดีว่าได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับขโมยทั้งสามแต่ไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลืออย่างใดได้เพราะว่า ข, ขโมยทั้งสามนี่ถึงแก่ความตายไปแล้วทุกคน โดยเหตุนี้บรรดาพระภิกษุก็เลยช่วยกันขนสิ่งของที่พวกขโมยขโมยไปอาทิเช่นเงินเชิงเทียนชามกะละมังตลอดจนดอกบัวทองกลับขึ้นไปไว้ที่โบสถ์แต่ไม่สามารถจะนำข้าวศักดิ์สิทธิ์ที่ขโมยพากันกินเข้าไปกลับคืนได้ถึงกระนั้นก็ยังพบมเมล็ดข้าวอีกสองสามเมล็ดที่พวกขโมยทิ้งติดก้นหีบไว้ในภายในห้องโถงใหญ่ของตัวโบสถ์ก็เลยพากันเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าประจาโบสถ์ พวกพระช่วยกันสร้างห้องพิเศษขึ้นอีกห้องหนึ่งในโบสถ์นั้นห้องดังกล่าวนี้ทาสีทองสีเขียวและสีน้ำเงินพร้อมทั้งมีประตูทาสีแดงแห่งหนึ่งเสร็จแล้วก็จัดการนําเชิงเทียนสูงคู่หนึ่งตั้งไว้ทั้งสองด้านของห้องดังกล่าวทั้งนี้เพื่อใช้เชิงเทียนทั้งคู่นี้เป็นที่ติดเทียนจุดไว้ตลอดทั้งวันพร้อมทั้งได้นาหีบบรรจุข้าวศักดิ์สิทธิ์ตั้งไว้ในห้องนั้นด้วย หลังจากนั้นต่อมาโบสถ์ข้าวศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นสถานที่อันมีชื่อเสียงรุ่งโรจน์โบสถ์ดังกล่าวยังคงตั้งเป็นสง่าอยู่บริเวณย่านภูเขาทางทิศตะวันตกของกรุงปักกิ่งบรรดานักสแสวงบุญต่างก็พากันเดินทางจากบริเวณต่างๆซึ่งมีระยะทางห่างออกไปเป็นจำนวนนับร้อยร้อยหมย่เพื่อจะได้มาดูข้าวสารสีขาวสะอาดเพียงสองสามเมล็ดดังกล่าวที่โบสถ์แห่งนี้ นับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครหรือแม้แต่ขโมยคนไหนจะกล้ากินเมล็ดข้าวดังกล่าวนั้นอีกเลยครับนิทานพื้นบ้านของคนไทยเนี่ยมักจะเกี่ยวกับความวิเศษแปลกประหลาดมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ ถ้าเป็นนิทานจักจักวงวงก็จะมีพระฤาษีหรือว่าโยคยีเป็นผู้วิเศษตั้งอาสมอยู่กลางป่าบรรดาโอรสของเจ้าเมืองที่มีสิทธิสืบทอดราชบัลลังก์ต้องรอนแรมเข้าป่าไปฝากตัวเป็นสิทธ์ก้นกุฏิของพระฤาษีอาทิเช่นพระจันทโกรพบพอเรียนจบหลักสูตรก็กราบลาพระฤาษีกลับไปดูแลบ้านเมืองพฤาษีก็เมตตา ให้ผอบวิเศษติดย่ามใบหนึ่งแล้วก็กําชับว่าห้ามเปิดดูกลางทางนะต่อเมื่อเข้าเมืองแล้วถึงจะเปิดดูได้แต่ธรรมชาติของคนมักจะทนกับความอยากรู้อยากเห็นไม่ไหวพระโอรสก็เลยเปิดพระอบกลางป่าแห่งหนึ่งก็เกิดอัศจรรย์มีสาวงามออกมาจากพระอบใบเล็กๆชื่อนางโมราพอเห็นแวบแรกพระจันทร์ตโรบก็หลงรัก จะพาเข้าเมืองอุปภิเสกเป็นชายาแต่ว่ายังไม่ทันออกจากป่าก็มีโจนหนุ่มบุกมาปล้นแต่สู้ราชโอรสไม่ไหวกําลังจะเสียท่าอยู่แล้วเผอิญโจนป่านี้รูปหล่อกว่าจันทโครบนางโมราก็เลยแย่งพระขันแล้วส่งให้โจนพระโอรสก็เลยถูกโจนป่าแทงตายไหวโจนได้นางโมราเป็นเมียไม่นานก็รังเกียจ เพราะว่าผัวเดิมเป็นถึงราชโอรสยังทิ้งไม่อยู่กับผัวโจรได้ลงคอก็เลยหนีจากไปปล่อยนางโมราอยู่กลางป่าเพียงเดียวไดก็ร่ำร้องหาผัวไม่ขาดปากรอนถึงพระอินทร์ลงมาสาปนางสองใจให้กลายเป็นชนีได้ผัวเป็นข้างร้องเป็นภาษาชนีว่าผัวผัวผัวมาตราบเท่าทุกวันนี้ นิทานพื้นบ้านเนะี่ยมีมากมายนับเรื่องไม่ถ้วนใครได้สดับฟังก็อัศจรรย์ใจกับความตื่นเต้นและเนื้อหาอันมหัศจรรย์จึงเรียกเป็นคำจํากัดความว่านิทานจากจากวงๆซึ่งส่วนใหญ่ก็เล่าสู่กันฟังในหมู่ชาวบ้านร้านถิ่นเพื่อความสนุกสนานบันเทิงในยามว่างเป็นสำคัญไม่มีใครเอานิยมนิยายอะไรกับนิทานพื้นบ้าน แต่ถ้าหากว่าตัวละครตามท้องเรื่องเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เคยมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ความลี้ลับมาสจันย์ต่างๆก็ถูกจารึกในพงศาวดารจึงพอจะกล่าวได้ว่าเรื่องราวนั้นเคยเกิดขึ้นจริงคงจะไม่มีผู้ใดกล้าแอบอ้างพระนามของพระมหากษัตริย์ในอดีตมาเล่ากันเล่นๆในพงศาวดารเป็นแน่ยางเช่นเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าอู่ทอง หรือว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของสยามประเทศที่กล่าวกันว่าทรงเป็นโอรสของท้าวแสนปมดังมีพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาบันทึกเรื่องราวอันแปลกมหัศจรรย์ไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช1893วันศุ ขึ้นหกค่ำเดือนห้าเวลาสามนาฬกาเก้าบัดสถาปนาพระนครสีอายุทยาชีพรามตั้งพิธีให้เลือกแล้วสร้างพระที่นั่งไยทูนมหาปราสาทองค์หนึง่งสร้างพระที่นั่งไยชยนมหาปราสาทองค์หนึง่งพระเจ้าอู่ทองเสด็จมาสเสวยราชสมบัติเมื่อพระชนได้ 3, 17, สามสิบเจ็ดพรรษา มีพระนามเสมือนด้วยพระนามสมเด็จพระรามนารายอวตารอันผ่านกรุงศรีอยุธยาแต่การก่อนแล้วโปรดให้ขุนหลวงพระงัวซึ่งเป็นพี่มเหสีรัดเรียกพระเชษฐานั้นเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าไปครองราชสมบัติน้ำเมืองสุพรรณบุรีให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอคือพระราเมศวืขึ้นไปครองราชเมืองลบบุรี ข้างฝ่ายพงสวดานเหนือฉบับพระวิเชียนปรีชาน้อยได้บันทึกไว้ว่าเท้าอู่ทองครองเมืองอยุธยาเป็นสุขมีราชบุตรสามพระองค์คือเจ้า้ายเจ้ายี่กับเจ้าสามอันมีรูปงามประกอบด้วยสติปัญญาเท้าพระยาทั้งหลายในเกรงกลัวอนุภาพของเธอเป็นอันมากเจ้าไา่ไปกินเมืองนครเจ้ายี่ไปกินเมืองตะนาวศรี เจ้าสามไปกินเมืองเพชรบุรีและพระเจ้าอู่ทองมีพระราชบุตรีอีกหนึ่งพระองค์เมื่อจะประสูตินั้นท้าอู่ทองฝันเห็นดอกบัวลอยมาจึงให้พรามมาถายพรามทานายว่าพระองค์จะได้ราชบุตรเขยมาจากเมืองข้างเหนือพรามรับพระราชทานรางวัลแล้วก็ออกจากพระราชวังจากนั้นพงศาวดานฉบับเดียวกันได้กล่าวถึงพระเจ้าเชียงใหม่ไว้ว่า สมเด็จพระสุนะคนธเกียรีเจ้าเมืองเชียงใหม่มีพระราชบุตรสองพระองค์องค์ใหญ่ชื่อเจ้าชัยทัศตกุมารองค์น้องชื่อเจ้าชัยเสนกุมารทั้งสององค์บวชเป็นภิกษุขึ้นไปเรียนพระไตรปิฎกถึงเมืองพมา่านานสามพรรษาก็จบพระธรรมแล้วเรียนไตรเพศข้างฝ่ายไสยศาสตร์จบบริบูรณ์ พงศาวดานเหนือกล่าวอีกว่าเมื่อเรียนจบศิยศาสตร์ที่เมืองพม่าแล้วสองพี่น้องเกิดร้อนวิชารอบเขาไปในปราสาทของพระเจ้ากรุงหงสาวดีทั้งที่อยู่ในสมณเพศอุ้มพระราชติดาไปปลงกรรมฐานที่วัดคือจับเรื่องผ้าเพื่อเพ่งอสุภกรรมฐานให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามแต่ทำไม่สาเร็จกลายเป็นได้เสียกันเสร็จแล้วก็อุ้มไปส่งที่เดิมก่อนพ้าสางัง พระเจ้าหงษ์สวัสดีไปดูราชธิดาตอนกลางคืนแล้วไม่พบก็ให้นึกแปลกพระไทยพอตอนกลางวันก็แอ บ, บนําเมล็ดประกาศไปใส่มวยผมราชธิดาฝ่ายสมณะสองพี่น้องกําเริบใจแอ บ, บอุ้มเอาราชธิดาไปปลงกรรมฐานทุกคืนจนเมล็ดพันประกาศงอกงามจากวัดไปถึงในวังทําให้พระเจ้าหงษ์สวัสดีจับได้ รับสั่งให้เอาตัวสองพี่น้องไปประหารเสียพงสวดานเมืองเหนือตอนนี้กล่าวไว้ว่าราชโอรสสองพี่น้องจึงว่ามหาบาพิษอย่าเพิ่งฆ่าเราเราจะลองวิชาคุณไสยอันได้เรียนมาให้ท่านดูก่อนขอให้คนเอาขันใบใหญ่ไปตักน้ำมาแล้วภิกษุทั้งสององค์หนึ่งแปลงเป็นนกกระยางอีกองค์หนึ่งแปลงเป็นปลาแหวกว่ายอยู่ในขันน้ำ นกได้ทีก็คาปลาติดปากบินหนีไปพระยาหงสาปแปลกพระไทยให้คนตามไปดูก็ไม่ได้เห็นบาทและจีวรในกุฏิส่วนภิกษุราชโอรสทั้งสองก็หลบกลับไปถึงเมืองเชียงใหม่แล้วคนสมัยก่อนมักจะมีเรื่องเกี่ยวกับฤทธิเดชเวทมนต์แทรกอยู่เสมอเนื้อความกล่าวอีกว่าเมื่อพระโอรสทั้งสองสำเร็จวิชาทางธรรมและศิศาสตร์กลับจากเมืองพมา่า พระราชบิดาคือพระเจ้าสุขนลทักเรีกับมหสีก็ดีพระไทยมีพระประสงค์จะให้โอรสองใหญ่คือเจ้าชัยทัตได้ครองราชแทนจึงให้ลาสิกขาบทศึกจากความเป็นนักบวชจะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ก็ให้เรียกโหรหลวงมาทานายหาเนื้อคู่โหรหลวงทายว่าเนื้อคู่อยู่ต่างเมืองประจวบกับมีเสียงร่ำาลือมาถึงเมืองเชียงใหม่ว่า ราชธิดาของพระเจ้าอู่ทองกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นมีสิริโฉมงดงามประดุษเทพธิดาเจ้าชัยทั์ได้สดับยฟังก็ปรารถนาจะได้เป็นชายาจึงย้อนกลับไปบับระชาเป็นสมณ น, นชวนน้องชายคือเจ้าชัยเสนที่ยังบวชเป็นภิกษุรอนแรมมากลางป่าเขาจนถึงชาญกรุงศรีอยุธยาเนื้อความตอนนี้พงศาวดารฝ่ายเหนือกล่าวไว้ว่า สองราชโอรสในเพศนักบวชมาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งใกล้กับพระบรมมหาราชวังคอยสะดับฟังคำดีคนทั้งหลายเขาล่ำรือกันเมื่อแน่ใจว่าราชดิดาพระเจ้าอู่ทองมีสิริโฉมสวยงามเหมือนนางฟ้าสมจริงตามความที่ได้ทราบมาพระเจ้าชัยทั์ก็ลาศิกขาจากความเป็นสมเนรแต่ยังหาทางกบาบังกายแอบเข้าไปในรั้วในวังไม่ได้ เผอิญเห็นต้นพิกุลต้นหนึ่งงอกงามอยู่ติดจำแพงวังเจ้าชัยทัศน์จึงอาศัยต้นพิกุลปีนข้ามเข้าไปได้ตอนนั้นราชธิดานิทราอยู่เจ้าชัยทัศน์จึงเข้าไปหาถึงห้องบรรทมนางสะดุ้งตื่นถามว่าท่านนี้เป็นบุตรผู้ใดก็บอกนางไปว่าเป็นบุตรเจ้าเชียงใหม่หาช ย, ยาที่ชอบใจไม่ได้พี่ก็เลยมาหาเจ้า เมื่อเราขึ้นครองราชแล้วจะให้เจ้าเป็นอัคราเมเหสีราชธิดาก็ยอมอนุนอ่อนผ่อนตามโดยดีเจ้าเชยทั์เที่ยวไปหานางทุกวันจนนางทรงคันสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเห็นพระราชธิดาดูแปลกตาแต่ก็ไม่ออกปากรัวลูกจะน้อยใจทรงมีพระราชดำริว่าทวารบานประตูมีตั้งร้อยชั้นจะมีผู้ชายผ่านเข้ามาได้ยังไง เว้นไว้ก็แต่ท่อระบายน้ำพระเจ้าอู่ทองทรงราพึงแล้วก็ตรัสสั่งให้ขาราชบริพานทั้งหลายทำล้อเหล็กดักไว้ที่ท่อระบายน้ำฝ่ายเจ้าชัยทั์เคยดำน้ำเข้าไปหาราชธิดาทุกวันวันนั้นก็มุดลอดท่อระบายน้ำเหมือนเดิมก็เลยติดอยู่ในล้อเหล็กเป็นเวลาช้านานขาดอากาศหายใจถึงแก่กรรมในท่อระบายน้าสมดังคาโบราณว่า ทำไมิชอบเข้ารอบตายเองพระเจ้าอูทองก็ให้ข้าราชบริพารที่ดำน้ำเก่งๆเข้าไปดูก็เห็นมีคนติดลอบเหล็กตายอยู่ในท่อจึงเอาร่างนั้นมาถวายให้ทอดพระเนตรพระเจ้าอูทองเห็นเป็นการแปลกประหลาดเป็นบัณฑิตรูปงามพระองค์ก็เกิดความเสียดายดั่รีว่ามาแต่ผู้เดียวหรือว่ามีเพื่อนมาด้วย จึงดำรัสสั่งคนให้เที่ยวสืบหาได้พบน้องชายบวชเป็นภิกษุอาศัยอยู่ในอารามสงฆ์ก็ให้คุมตัวเข้ามาในพระราชวังถามดูก็รู้ว่าเป็นราชบุตรของพระเจ้าเชียงใหม่ฝ่ายราชธิดาที่ทรงพระคันแก่ก็ทรงพระกันแสงอะไรสามีว่ากูจะเป็นไม้ลูกกูจะหาพ่อมิได้อับอายบ่าวไพร่ทั้งหลายเขาจะทายได้ว่าตั้งคันโดยไม่มีสามี บัดนี้เห็นหน้าพระเจ้าอาก็คือน้องชายของสามีดุดดังเห็นหน้าผัวที่ตายไปพระเจ้าอูทองจึงให้เจ้าชัยเสนซึ่งบวชเป็นภิกษุนั้นลาพนวดแล้วก็ราชาพิเศษให้เป็นพรยาเรื่องนี้พระเจ้าชัยทัน์เนี่ยเคยแปลงร่างเป็นนกกระยางคาบน้องชายคือเจ้าชัยเสนที่แปลงเป็นปลาบินหนีพระเจ้าหงษ์สวดีมาได้ แต่พอมาถึงกรุงศรีอยุธยาไสยศาสตร์พรม่ากลับเสื่อมต้องตายในรอบเหล็กแล้วพระราชธิดากำลังคันแก่ก็กลัวลูกไม่มีพ่อขอร้องให้น้องชายสามีศึกจากความเป็นพระมารับภาระแทนพี่ชายที่ก่อไว้ก็คือเสกสมรถกันแล้วยอมรับเป็นพ่อของลูกในท้องเมื่อเจ้าชัยเสนยอมทาตามปัญหาใหญ่ก็ผ่านพ้นไปได้ ล้นเกล้ารัชาการที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแสดงพระราชดำริเกี่ยวกับฤทธิเดชเวทมนและอภินิหารต่างๆในพงศาวดารไว้ว่าข้าพเจ้าอยู่ในคนจำพวกซึ่งพอใจจะเชื่อเรื่องราวของอัจฉริยะบุคคลอันมีปรากฏอยู่ในตำนานต่างๆโดยมากไม่ได้ผูกตังขึ้นมาลอยๆเป็นนิยายเล่าเล่น โดยมากย่อมจะมีความจริงเป็นเข่าอยู่บ้างเช่นเรื่องพระร่วงสวยน้ํากับขอมดําดินสําหรับเรื่องปฐมมกษาตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าอู่ทองทรงทํารอบเหล็กดักโอรสพระเจ้าเชียงใหม่ติดรอบถึงแก่ความตายไปเขาโครงเรื่องจริงย่อมมีอยู่ส่วนการแต่งเติมในส่วนอภินิหารนี่เป็นศรัทธาความเชื่อถือของคนโบราณสมัยนั้นคัดกับความเชื่อของคนยุคปัจจุบัน แต่หากจะรับทราบในทำนองเรื่องจักจักวงวงก็นับว่าสนุกให้ความบันเทิงดีทีเดียวพิจารณาในแง่เป็นประวัติศาสตร์แล้วถูกจารึกเป็นพงศาวดารและเป็นที่ยอมรับกันนานเป็นร้อยร้อยปีถ้าเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาล้วนๆหกร้อยกว่าปีที่ผ่านจะไม่มีปราชญ์ท่านใดแสดงความเห็นอย่างอื่นบ้างหรือ สรุปสั้นๆว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลซึ่งไม่เหมือนกันดังภาษิตโบราณรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามครับ